เอานานะเอาให้อยู่นะภาวนาเนี่ยเมื่อนั่งเล่นทวงเวลาสื่อๆเด้ภาวนางานของตัวเอง <c oughs> ทําความเก่งให้มันด่งมันดังในใจของตัวเองภาวนาเก่งให้เก่งกับตัวเองเนี่ย ให้ต้องการให้จิตมันสงบก็ให้มันสงบไปได้เก่งให้ตัวเองเอาให้ได้อย่าไปเก่งกับคนอื่นเก่งกับกิเลสของตัวเองกิเลสมันมีอยู่ในใจมันขี่คอขีหัวเรา <c oughs> หยุด <ERS> <sk> <avía> ทุกเวลานะหัวใจไปยิมยิมย่องไปเจะของเก่งอันกี่หัวใจรถหัวใจทุกวันมันกี่รถเดียวรถหัวใจทุกวัน เกงทีเกงต้องเอาชนะมันจิตมันไม่สงบเพราะว่ากิเลสมันแทรกเข้ามาเลยมันมาขีหัวเราเนบนหัวใจเราเสงบไม่ได้ สิ่งอยู่นอกตัวทั้งหมดเนี่ยเราช น, นะไม่ได้อะไรสักอย่างหรอกชนะไม่ได้แพ้หมดแพ้หมดแท้จริงมันแพ้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรานะเลยเอาไปโกรธไปเก่งใช้กําลังต่อสู้กับคนอื่นได้รับชัยช น, นะช น, นะจริงหรือเปล่าเราแพ้แล้ว แพ้ในหัวใจของเราหัวใจของเรามันแพ้แล้วแพ้อะไรแพ้กิเลสในใจแพ้แล้วไปชกไปตีไปต่อยไปเถียงไปต่อไปโต้กับคนอื่นเรวารวหชนะเระวาวหวชนะเราวหชนะสำคัญแต่จะของวหชนะแท้จริงมันแพ้แล้ว แพ้กิเลสในหัวใจของตัวเองนะสำคัญว่าตัวดีตัวเด่นตัวดังอย่างนั้นอย่างนี้ผลฟองจะยอมกล้าวยกตนขมท่าน ยกตนดิบยกตนดีชนะหรือเปล่าแพ้อีกหลุดลุยอีกอะไรมันพาทำให้เกิดอย่างนั้นดูไปที่หัวใจอะไรมันพาทาให้เกิดอย่างนั้นแพ้อีกแล้วชนะอีกแล้วเก่งจริงก็เอาให้มันอยู่ที่หัวใจนะคนอุบายมายาของใจใจมันบิดมันเบี้ยวมันคดมันงอยอยู่ข้างในนะดูไป้เห็น ทำไมย้อนดูมันไม่เห็นมันดอกตัวนี้แหละมันเป็นตัวผ่าแพ้ตัวนี้แหละเป็นพยายามานกิเลสมา น, นี่แหละกิเลสมานตัวนี้หละเป็นพยามานเพราะกิเลสมาลนั่นแหละทำจึงทำให้เรามีขันธมานเพราะกิเลสมาลนั่นแหละ จึงทำให้เรามีมัดจุมานคือความตายเพราะกิเลสมานี่แหละจึงทำให้เรามีขันธมานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผู้ที่ท่านบริสุทธิ์หมดจดไปแล้วท่านทิ้งขันธทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านทิ้งหมด แล้วมัจจุมานก็ไม่มีมัจจุมาก็หา so, er ท่านไม่เจอหาท่านไม่เห็นมัจจุมานคือความตายมัจจุคือความตายมานตอนนี้หาเราไม่เจอเห็นไหมมัจจุมานเกิดขึ้นเพราะอะไรย้ำอีกเกิดขึ้นเพราะกิเลสสมานขันธมานเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะกิเลสสมานเทวปตมาลเกิดขึ้นเพราะอะไร เกิดขึ้นเพราะกิเลสสมารม์มองพุ่งไปข้างนอกพุ่งใส่คนนั้นคนนี้สิ่งนู้นสิ่งนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้ข้างนอกแพ้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะตัวแพ้มันอยู่ข้างใน ไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่มันชนะเรามันอยู่ข้างในกิเลสมันชนะเรามันอยู่ข้างในเราดูไม่ออกหรอกสำคัญแต่จะของเฉยว่าจะของชนะคนนั้นชนะคนนีน้ดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้นแท้ที่จริงเราแพ้แพ้ข้างในในตัวเราเนี่ยดูต้องดูให้ออกดูให้เห็นนักธรรมต้องดูให้ออกดูให้เห็นดูไม่เห็นโดนมันสวมรอยเล่นงานเราทุก ระยากทุกเวลามีแต่ความสําคัญมั่นหมายเหมือนอุลุเวลาคัสปะนั่นแหละสําคัญว่าเจ้าของเป็นพระรหรันตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังทำผู้ที่เจ้านะสําคัญว่าเจ้าของเป็นพระรหรันสาคัญเฉยๆความสําคัญก็คืออะไรคือสัญญาสําคัญมั่นหมายสําคัญมั่นหมาย คำว่าสำคัญมันหมายแปลว่ายึดเอาถือเอาสำคัญเอาหมายรู้เอาหมายคิดเอาหมายกะหมายเกณเอาเองประศิจข้อเท็จจริงทั้งนั้นประศิจความจริงทั้งนั้นโด น, นต้มทั้งนั้นโด น, นต้มทั้งหมดในหัวใจของเรามีอยู่ด้วยกันทุกคนปพระเะนนอย่างอื่นเราทิ้งได้และ ที่ว่าเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะมีในตัวเรามีนอกตัวเรานิ้งให้หมดย้อนมาดูจิตของเรามันแพ้อะไรทุกวันยืนเดินนั่งนอนยืนกับแพ้มันเดินกับแพ้มันนั่งกับแพ้มันนอนก็แพ้มันตราบใดที่เรายังให้มันขี่หัวเราอยู่มันแพ้มันตลอดการปฏิบัติธรรมคือการย้อนมาดูตัวมันนี่แหละ ย้อนมาดูหัวมันเนี่ยย้อนมาดูหัวใจที่มันไม่บริสุทธิ์นี่แที่มันทําให้เกิดมันแทรกเข้ามาได้เราต้องย้อนมาที่นี่ถ้าเราไม่ย้อนมาที่นี่ไม่เห็นมันสวมรอยเล่นงานเราทุกระยะทุกเวลามันส่งไปข้างหน้าให้เราคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี้สิ่งนู่นสิ่งนี้อยู่ข้างนอกตัวมันส่งเราไปที่ไม่เคยมันไม่เคยกระซิบกระซาบให้เราย้อนมาดูตัวมัน เราดูตัวมันปั๊บเราจะเห็นมันด้วยสติเห็นไนี่ยมันด้วยปัญญานีมันเป็นยาสแสลงของมันเหมือนกับอสารพิษที่มันแพ้ความสว่างนั่นแหละอสารพิษพวกตะขาบแมงป่องงูเหา่ามันชอบอยู่ในที่มืดตรงไหนเป็นที่มืดมืดเป็นที่ทึบทึบเป็นที่รกรกเน่ยมันชอบอยู่ตรงนั้น เพื่อจะพรางตัวมันไม่ให้นคนเห็นสารพิษนั่นแหะแต่ถ้าเปิดจ้าด้วยแสงสว่างปั่งมันก็ห น, นีหนีจากมองสว่างตรงนี้หนีจากที่สว่างตรงนี้ไปหามุมมืดตรงนั้นตรงนั้นสว่างอีกหนีจากมุมสว่า ง, งนั้นไปหามุมมืดตรงนั้นหลบไปน้นหลบไปนี้แม้แต่สว่างไม่ถึงอา้าวสมมติมีแผ่นกระดานมีแผ่นอิด มีแผ่นหินมีก้อนหินมันก็หลบไปอีกข้างนึงไอข้างที่มืดๆ น, นั่นแหะไอต้ตรงที่ข้างสว่างไม่เห็นมันดอกสติของเราปัญญาของเราเป็นแสงสว่างของใจท่านจึงพยายามอบรมให้พยายามให้ตั้งใจพยายามอบรมให้สติมีสัมมัญญะมีเพื่อจะเป็นเครื่อง หนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาหนนอยู่ในใจความสว่างสวยภายในใจก็มีกิเลสที่มันเคยชอบมืดๆทึบๆความหลงคือความมืดความทึบตราบใที่มีเรามีสติมีสัมผััญญะอยู่เราไม่หลงมันพลร่งตัวอยู่มันตื่นตัวอยู่มันสว่างสวยอยู่มันไม่หลงมันเกิดไม่ได้มันแสรกไม่ได้ นี่เนี่ความสว่างภายในมันกลัวกิเลสมันกลัวราคะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความมืดคือความหลงมันไม่ใช่เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของมันมันเกิดขึ้นเพราะความหลงเห็นผิดเป็นถูกมันพรางถูกพรางหูพรางตาไปหมดความจริงไม่เห็นเห็นแต่ความปลองที่มันเสกส ร, รรให้กิเลสมันเสกส ร, รรให้ อันนั้นส่วนี้ดีอันนั้นงามเสร็จแล้วว่าถูกอกถูกใจน่าปลื้มใจหน้ายินดีหน้าเพลิดเพลินหน้าทะนุถนอมหน้าหึงห่วงอหน้าเด็ดหน้าดอมหน้าหลไรสารพัดแล้วที่มันน่ะมันหลายหน้าหน้าจะอย่างงั้นหน้าจะอางนี้มันหลอกแต่ถ้าดูให้เห็นเนื้อแท้แล้วมันก็ปล่อยเอาไว้ยอมรับโอ้ธรรมชาติที่แท้จริง่างนี้ เห็นเนื้อแท้แล้วโอ้ทำปริชาติที่แท้จริงเป็นอย่างนี้อะไรพาเราให้เห็นเป็นของปลอมความหลงพาให้เราเห็นเป็นของปลอมความหลงถ้าเราจะเที่ยวกับมือกับที่มืดมุมมืดกิเลสมันซุ่มมันอยูอ่อยู่ในที่มืดเหมือนสรพิมันชอบซุ่มอยู่ในที่มืดมืดนั่นแหละเราทำกิจใจของเราให้สว่างจ้า มันสว่างนี่กว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันสว่างถ้ามีวัตถุอะไรมาบดมาบางังมันก็ส่องผ่านไม่ได้นะเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์อะมันส่องมันส่องใส่โลกอ่ะพอมันส่องมาแล้วมันถูกโลกไอตรงที่แสงอาทิตย์มันถูกมันเป็นกลางวันไอตรงที่แสงไม่ถูกเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เวลานี้กลายเป็นกลางคืน กลางวันกัลางคืนมันตายยังไงกลางวันสว่างกลางคืนมืดนั่นแหละสติปัญญาไม่มีในหัวใจส่องไม่เห็นกิเลสตัณหาอาสวะเลยความโลภก็แทรกเข้ามาความโกรธก็แทรกเข้ามาอิจฉาทิสยาก็แทรกเข้ามาความยกตนข่มท่านอะไรต่าแทรกเข้ามาความสําคัญมั่นหมายเอาว่าดีว่าดีอย่างนี้มันก็แทรกเข้ามาไม่เคยเห็นความจริงรู้แต่ของปลอมมาแทรกเข้ามาเท่านั้นแหละ มาหมดมาบางจิตใจของเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสัมผัสการแยกเป็นตัวของตัวถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วแล้ามันน่าเครียดน่าแค้นเครียดแค้นให้กับกิเลส ท, ที่มันอยู่ในหัวใจของเราไม่มีใครมาทําให้เลยเราทําให้กับเราเองความโง่ของเรามันทําความเดือดร้อนให้กับใจของเราเองาความเดือดร้อนให้กับกายของเราเอง ความนกโง่ของใจเราแท้ๆกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในจิตได้ก็เพราะเราโง่เราฉ ล, ล, ลาดไม่ทันมันเราไม่ทันมันกิเลสแล้วว่าสภาพที่ทําจิตให้เศร้าหมองอะไรบ้างที่มันจำทำจิตให้เศร้าหมองความรักทำให้จิตเศร้าหมองความโลภทำให้จิตเศร้าหมองความโกรธทำให้จิตเศร้าหมองราคะตัณหาทำให้จิตเศร้าหมอง เราจะเทียบกับเหมือนพระพอาทิตย์พระจันทร์เลยพระอาทิตย์ก็ถูกก้อนเมฆไปบดไปบังแสงเอาไว้ก้อนเมฆไปบดไปบัปบงแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์เนี่ยถูกก้อนเมฆไปบดบงังเอาไว้ทําให้ความสว่างของดวงอาทิตย์ไม่เต็มที่ทําให้ความสว่างของดวงจันทร์ไม่เต็มที่ตราบใดที่เหมาะ มีหมองมีไม้ไปบดบังไว้มันสว่างไม่ได้กิเลสในหัวใจของเราเช่นเดียวกันตราบใดที่กิเลสมันเกิดขึ้นมันทำให้จิตดวงนั้นเศร้าหมองมีมืดมืดทึบทึบบดบังแสงสว่างทาให้แสงสว่างเรีบเ ร, ร, ร, รียบเรีหรือมืดทึบไปเลยมองไม่เห็นอะไรหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ที่จะ ปกป้องปัดเป่าสิ่งที่เศ้าหมองจิตเนี่ยให้ออกไปจากจิตของเราอคือพยายามทําความรู้เท่าทันของกิเลสยิ่งเราทําความรู้เท่าทันไปมากน้อยเท่าไหร่กิเลสมันก็เริ่มจริงเริ่มหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วหมดอํานาจวาสนาหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วความโลภ ก, ก็เกบาบางลงไปความโกรธก็เบาบางลงไปราคะปัญหาก็เบาบางลงไป ปิจาริสยาก็บเบาบางลงไปโล ก, กธรรมที่เคยหลงหมกมุ่นอยู่อไม่รู้หัวรู้หางมารู้เท็จม่รู้จริงอะ่ะหลงหลอยู่กับโล ก, กธรรมก็บเบาบางลงไปจนสามารถสลัดออกได้สลัดโล ก, กธรรมออกได้สลัดความลุ่มหลงว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปได้สลัดความโกรธออกไปได้ สลัดความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตนออกไปได้หมดจดบสลัดความยึดมั่นถือมั่นว่ากายเราไหวใจเราออกหมดจบได้โดยสิ้นเชิงมีความสว่างเต็มที่เบ่งบานเต็มที่สุ่างสวัยเต็มที่ไม่มีพิษไม่มีสงไม่มีมนณฑนอะไรอยู่ในนั้นทําให้แสดงตัวได้เต็มที่ ดวงทิตดวงจันทร์ไม่มีอะไรบดบังสามารถส่องสแสงได้ส่องแสงสว่างได้เจิดจ้าเต็มที่จิตใจของเราที่ไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้บดบังก็เช่นเดียวกันมีความสว่างจ้าเจิดจ้าอย่างเต็มที่ความเจิดจ้าของจิต ด, ดวงนี้ทําให้เรายอมรับว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดสิ่งที่ปรากฏทางตา สิ่ง scrap. ที่เห็นเป็นรูปก็เป็นธรรมชาติรู้ที่ไปรู้ที่มารู้ที่เกิดรู้ที่ตั้งอยู่รู้ที่ดับรูปเสียงกลิ่นรสฝนตรระธรรมารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมาปรากฏทางทวารก็สัตว์ว่าปรากฏรูร้ว่าสิ่งเหล่านี้มีเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุให้มากระทบตายอย่างนี้เป็นเหตุให้มากระทบหูอย่างนี้เป็นเหตุให้มากระทบลิ้นกระทบจมูก กระทบกายแล้วก็กระทบใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้กลายเป็นธรรมชาติไปหมดไม่หลงไปกับมันสิ่งเหล่านี้ไม่มีอิทธิพลไม่มีอารมณ์เนือจิตของเราเพราะจิต ร, รู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันก็ปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ตามภาวะที่เป็นธรมธรมชาติโอ้ธรรมชาติปล่อยไว้ตามธรรมชาติตัวเราก็ถอยความถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเป็นตัว ตัวเดียวเป็นคนคนเดียวเป็นธรรมก้อนเดียวเป็นธรรมแท่งเดียวหนาเกลียดไว้หนาเกลียดแค้นจริงช่งให้กับมันไหมถ้าเราย้อนมาที่นี่เราเห็นโทษเห็นภัยที่นี่ที่อื่นตกหมดตัวนี้แหละเป็นตัวทําให้เราได้รับความทุกข์ได้รับกองทุกข์กี่พบกี่ชาติกีกลีกันหมุนอยู่แช่อยู่กับจริงเหล่านี้ เสียท่าเสียทีมันทุกเวลามเวลาทุกโอกาสไม่รู้ช่องไม่รู้ทางไม่รู้บายไม่รู้วิธีสัตว์ทั้งหลายก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ตามบุญตามกรรมของตัวเองแต่ในเมื่อเรามาเจอวิธีทําให้จิตสว่างคือข้อประพฤติปฏิบาททาัติตามทำตามวินัยของทุกขิจเจ้าแล้ว เราต้องเอาวิธีปฏิบัติเพื่อเกิดความสว่าง ม, มาใส่จิตใส่ใจขั้งตัวเองตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสว่างส ว, สวัยขั้นใหม่อันนี้คือเหตุที่อยู่กับเนื้อกับตัวแท้พยายามดูเห็นพยายามพิจารณาพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปโดยการมีสติมีสัมชัสยรู้สึกตัวูอยู่ตลอดทุกระยะทุกเวลาให้ทุกคนทั้งออกตั้งใจทาแล้วก็ อุทิศบุญญาบารมีบุญน้อยๆของพวกเราเนี่ให้แก่พระไพ่ถอยเดสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนเป็นวันครบรอบ83พันษาของพระองค์83ปีในหลวงครบรอบ83ปี83พันษากองนรรลุ เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเทวดาพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นเทวดานะในหลักธรรมเขาเรียกว่าเป็นเทวดาเป็นสมมุติเทพเป็นสมมุตติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติแต่ในหลวงของเราเนี่ยท่านไม่ใช่ศักดิที่ว่าเป็นสมุติเทพเฉยๆท่านมีฤทธิท่านมีอตปนปปะท่านมีท่านมีทศพิตรราชธรรมไปดูเถอะ พวราชาบ้านธรมธรมดาๆเนี่ยไม่สามารถจะทําทได้เหมือนพระองค์พระองค์สามารถทําได้ด้วยเหตุที่พระองค์มีธรรมทศพิราชธรรมฝึกปรืออบรมมาตั้งแต่เยาว์วัยมันก็เป็นการหล่อหลอมจิตใจตรงนั้นให้เป็นผู้มีทศพิราชธรรมมีหิริธรรมมีโอตปะธรรมมีฮิริธรรมมีโอตปาธรรมเพราะเข้าใจเรื่องหลักของธรรม เราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นพระพุทธศาสนาประจําชาติของไทยประจําชาติไทยมาพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เป็นพุทธธรร ม, มะกะทรงเป็นพุทธมามะกะัจเป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุท ธ, ทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจําหัวจิตหัวใจของพระองค์ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม ที่ท่เรียกว่าทศพิราชธรรมมีอายุมีการมีเวลาอันเหมาะอันควรทุกทุกพระองค์จะต้องได้ทรงผนวดคือทรงบวชเพราะพระองค์เป็นพุท ธ, ธมามะกะจากนั้นแล้วก็ปกคอลองไพ่ฟ้าประชาชีเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวสยามอย่างที่พวกเราเรารู้กัน นี่คือพระเจ้าแผ่นดินคือพระบาทสมเป็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเราท่านมีธรรมะสูงมากเราอย่าเอาตัวของเราไปจิดริษกจ้อยร่อยนไปเทียบกับพระองค์พยายามไปไล่ย่ำดีพระองค์เราต้องย้อนมาดูตัวเราเรามีอะไรเทียบกับพระองค์พระองค์อยู่ได้ด้วยบุญญาบารมีปกเกล้าเหล่าประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของดวงชนชาวสยามนี่คือพระเจ้าแป่นดินเป็นเทวดาโดยสมมตสมมติเทพพระอาหารหันต์ท่านเป็นเทวดาเป็นวิสุทธิเทพเมืองไทยเราเนี่ยเรามีสมมุติเทพคือพระเจ้าแป่นดินเรามี ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บรรลุธรรมถึงขั้นเป็นพระอาหารหันต์นี่ท่านเป็นวิสุทธิเทพในหลักธรรมมีนะกล่าวเอาไว้นะสมุติเทพเทวดาโดยสมุติอุปติเทพเทวดาโดยกําเนิดเทวดาชั้นดาวดึงยามาจาตุมเนี่ยเป็นอุปัตติเทพเป็นเทวดาโดยุบัติ ภัยบารเกิดในชั้นของเทวนาแต่ละชั้นแต่ละชั้นพระยาเป็นดินเป็นสมมุติเทพพระอระหันต์ที่จะไร้จิตให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วเป็นวิสุทธิเทพทั้งหมดนี้วิสุทธิเทพเหนือกว่าเทพใดๆทั้งสิน้นเพราะหมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิง น, นี่เราพูดถึงคําว่าเทพเทพเทวะเทวะเทวานานั่นแหละ เทวดาเราถือว่าเขาเสวยทิพย์อยู่บนสวรรค์วันคืนล่วงไปอยู่แต่กับอารมณ์ที่ทำให้จิตปลื้มปีติยินดีตลอดเป็นผู้มีอารมณ์ดีเียกเทวะเทวะเป็นผู้มีแสงสวา่างเทวะเทวะมีฤทธิ์มีเดชตามบุญญาธิการของตัวเอง เทวดาชั้นจาตุ้มก็มีบุญญาธิการระดับชั้นจาตุ้มชั้นดาวดึงชั้นยามาก็มีบุญญาธิการตามชั้นตามภูมิ น, นั่นชั้นจาตุ้มด า, ดาวดวาวดึงยามาตุสิตานิมนันแลก็ดีปรินิมิตาทสวัสดีอันนี้สวรรค์หกชั้นเทวดาหกชั้นเทวดาหกชั้นแม้แต่พระพร้อมเราก็ถือว่าเป็นเทวดาเช่นเดียวกัน แต่พวกนั้นจะบารมีสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปมากกว่านั้นพวกนี้เกิดขึ้นจากบุญบารมีที่ตั้งใจภาวนาและจิตได้รับความสงบไปเป็นพรหมชั้นต่างๆรวมแล้วก็สิบหกพรหมนะสิบหกพรหมส6หกพรหมรวมทั้งพรหมที่เป็นพระโสดพระอนาคามีด้วยแล้วก็เป็นเท่าไหร่ เป็นสิบหกลูกเป็นยี่สิบลมกมาละพระพรหมต่างๆเท่านั้นทั้งนั้นน่ยทัานละเอียดละเอียดละเอียดไป อ, ดอะไรละเอียดอะไรภาละเอียดจิตภาละเอียดจิตที่ภาวนาแล้วทําให้จิตได้รับความสงบจะเป็นจิตที่ละเอียดเพราะฉะนั้นในสองส่วนนี้จึงทําให้เทวดาพวกนี้มีจิตที่ละเอียดบางคงเป็นรูปปรกรม บางพรหมก็มีรูปบางพรหมก็ไม่มีรูปที่จะเรียกว่าอารูปพรหมมีรู ป, ปรเทวดามีความสุขมีทิพย์สมยทิพย์มีแสงสว่างสมุติจะไปจะมาเข้ามาสู่โลกนี้มีแสงว่าาถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎ ก, กเราจะเห็นว่าเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดามาเฝ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานจะมีแสงต้องต้งคืนนั่นแหละ บางตนก็แสงมากบางตนก็แสงน้อยตามบุญญาบารมีบุญญาธิการของตัวเองเทวะเทวจึิงได้ว่าเป็นผู้มีแสงสะวะัสดเป็นผู้เป็นผู้อยู่ด้วยอารมณ์ที่ดีเทพทั้งหมดนี้ส ม, มุทิเทพ อ, อุปติเทพเทวดาโดยกำเนิดเทวดาโดยกำเนิดนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไปอุบัติปุ๊บไปด้วยบุญด้วยกรรมไม่มีพ่อไม่มีแม่ ถ้าเราจะว่าพ่อแม่ก็คือกรรมกรรมที่เขาทาได้ดีแล้วให้ให้เขาไปอุกกรรมที่เป็นเหมือนกับพ่อกับแม่ให้เขาไ ป, ปบัตรตายปุ๊บไปเกิดปั๊บทิ่หนึ่ตามภูมิตามชั้นที่เขาควรจะได้แต่ว่าสมุติเทพเนี่ยมีพ่อมีแม่เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นพระราชานี่ในต้นตำนานท่านพูดเอาไว้สมัยเริ่มแรกของโลกเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์เนี่ย มนุษย์เนี่ยเป็นพรหมลงมาเป็นพรหมลงมาเกิดในโลกมนุษย์ลงมาใหม่ๆมากินง้วนดินกินง้วนดินไม่ต้องทำอาหากินเนี่ยง้วนดินเกิดขึ้นเองกินง้วนดินบริโภคง้วนดินง้วนดินเนี่ยคืออะไรคือขี้ดินมีรสหอมมีรสหวานมีรสอร่อยกินแล้วอร่อยซาบซ่านไปหมด <necessary. S 2> ด้วยเหตุที่มีจิตเนี่ยอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดเพ่งเล็งเพ่งเล็งกันไปเพ่งเล็งกันมาอเกิดอยากได้เกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้ขึ้นมาไอ้งื่นดินหายไปมนุษย์ต้องทําได้ทํานามนุษย์ต้องปลูกพืชปลูกพันธุ์ัญญาหารเองปลูกไปปลูกมาปลูกมาปลูกผลไม้เกิดขึ้นเองซะก่อนผลไม้เกิดขึ้นเองธัญพืชเกิดขึ้นเอง มีหน้าที่อย่างเดียวไปเก็บมาบริโภคมาใช้มาสอยโดยเหตุที่มนุษย์อยู่ด้วยกันเพ่งเลงกันไปไปมา<ๆ>มามีความโลภไอทั ญ, ญพืชที่เกิดขึ้นเองเหล่านั้นหมดไปต้องทําเองต้องทําเป็นการเกษตรเองพอทําเป็นการเกษตรเองทีนี้มาแย่งชิงกันคนนั<ม>้นได้มากคนนี้ได้น้อยคนนั้นได้ที่มากคนนี้ได้ที่น้อยเกิดเพ่งเลงของการอะรกันรับกันขโมยกันอะไรอะไรกันเป็นเหตุให้มนุษย์ต้องสมมุติให้ ใครสักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีความสามารถเพื่อที่จะปกครองให้พวกตนเน้มีความผาสุขอยู่ได้จึงสมมติเป็นจึงสมมติเป็นราชาเป็นราชันขึ้นมาจึงให้เป็นราชาขึ้นมาราชาหรือราชันขึ้นมาให้ปกครองให้ดูแลเสร็จแล้วก็มีหน้าที่วางเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นอะไรขึ้นมาปกครองเพื่อให้พวกตนเน้อยู่เย็นเป็นสุข นี่แรกเริ่มเดิมทีเป็นมาอย่างนี้อันนี้มันมีอยู่ในจกักรวรริสูตรนะไปอ่านดูไปหาอ่านดูใ น, นจกักรวริสูตรลืมสูตรอะไรไม่รูล้ละเราเคยดูนะแล้วล่ะลืมหมดละค ว, วามเป็นมาอย่างนี้นี่อย่างบนโลกมนุษย์เราเนี่ยบนโลกมนุษย์เราอันนั้น ถ้าเราจะถือว่าเป็นนิทานปรมปราแ ต, ต่ต่อมาบนโลกมนุษย์เราก็มีจริงๆมีเทอมีพระราชาราชาก็คือผู้ปกครองที่สูงสุดนั่นแหละเราจะเห็นว่าประเทศทุกประเทศที่เคยเกิดขึ้นมามีเป็นพระราชาเท่านั้นก็ว่าจะมาปกครองกันแบบประชาธิปไตยแบบสาธารณะแบบปัตนาทิปนิมมีพระเจ้าแผ่นดินมาก่อนทั้งนั้นแหละนอกจากประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ไม่มีพระราชาปกครองแบบตั้งเอาเองเป็นประธานาธิบดีเอาเองมีความเป็นมามีอยู่อย่างนี้แต่เมืองไทยของเราเนี่ยเรายังมีพระเจ้าเป็นดินอยู่พระเจ้าบป็นดินยังปกป้องคุ้มครองดูงแลพวกเราอยู่มาบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พวกเราให้แก่พวกเราอยู่เพระเาะฉะนั้นท่าน ทรงไว้ในธนาว่าเป็นผู้เป็นบุพการีเป็นบุปกา ร, การาีดูแลปกป้องคุ้มครองมาตั้งแต่เราแรกเกิด ม, มีพระเจ้าเป็นดินเป็นเทวดาโดยสมมุติให้เราโอได้กราบไหว้อยู่บางคนเคารพนับถือกราบไหว้ธรรมหาธรรมมาคาขึ้นนะด้วยเหตุที่มีจิตกตัญญูกะตะเวที ก็ทำมาค้า ข, ขึ้นทําให้การรำมาหา ก, กินอะเจริญเงอกเอ๋ยเจริญเงอกงามจากอยู่ทุกอย่างลําบากอาศัยบุญบารมีที่เคารพนับถือทําให้ทําให้มีความเป็นดีอยู่ขึ้นดีขึ้นอะไรขึ้นอื <pint> เพราะคนเราในโลกเนี้เราจะให้มันเท่ากันมันเท่าไม่ได้ดอกถ้าเราจะให้มันเท่ากันได้องั้นเอาพ่อกับลูกมันเท่ากันสิเท่ากันได้ไหมพ่อกับลูกอะ ลูกเกินมากก็เปีอยยังทำอะไรยังไม่เปลี่ยนให้มันเท่ากับพ่อมันเท่าได้ไหมมันเท่าได้ไม่ได้หรอ ก, ล, กอออลูกต้องอาศัยพ่อไหมลูกต้องอาศัยพ่อลูกเป็นส่วนหนึ่งของพ่อพ่อหาเลี้ยงตั้งแต่นู่นอยู่ในท้องแล้วทำไมละ่ะก็หาข้าวปลาอาหารให้เมียรับทานลงไปรับทานอาหารลงไปแล้วก็อาหารเหล่านั้นก็ไปเลี้ยงลูกข้างในท้องเนี่ยเห็นไหม หาเลี้ยงตัองแต่อยู่ในท้องแล้วก็ออกมาอีกหาให้อยู่ให้กินนข้าวปลาาหารเนี่ยผู้ที่ทำอุปการะก่อนก็คือผู้ที่ให้ความดูแลค้าจุนมาก่อนผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เราปฏิเสธได้ไหมว่าท่านไม่ได้ทำมาก่อนเราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากท่าน เราพูดได้เต็มปากไหมว่าท่านเป็นผู้มีบุพก า, ารีคือผู้ทําอุปการะก่อนทุกคนพูดได้เต็มปากว่าท่านเป็นผู้มีบุพก า, ารีมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องกระตันอยูกตเวทีคือตอบแทนมันเป็นเรื่องของมุในโลกที่จะต้องช่วยเหลือกันเมื่อก่อนนั้นเรายังไม่มีกําลังวังชายังอ่อนแรงเป็นเด็กทารกเราต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ พอเราโตมามีกำลังวังชามีสติมีปัญญาสามารถหาทรัพย์ได้เราก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอบมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอุปการะบุพการีไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ควรได้รับการตอบอตอบแทนบุญคุณนะฮะอยา่างพระยาแผ่นดินเนี่ยเราไม่ต้องไปหาเลี้ยงท่านหรอก การตอบแทนคุณคุณท่านก็คือเป็นพลเมืองดีศึกษาดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ในกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในขนมธรรมเนียมอยู่ในประเพณีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีกะตันอยู่ตเวทีคนไม่มีกะตันอยู่กะตเวทีคือคนไม่มีธรรมคนไม่มีธรรมหาความเจริญไม่ได้ไปดูพระเจ้าแผ่นดินสมัยพระเจ้าพิพิสานเนี่ยนะพระเจ้าแผ่นดินสมัยนั้นเนี่ยลูกข้าพ่อ เจ็ดชั่วโคตรลูกข้าพ่อแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นได้ไม่กี่วันก็ถูกลูกฆ่าอีกแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ไม่กี่วันถูกลูกฆ่าอีกเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ไม่มีอะไรเจริญไม่มีความเจริญมันไม่มีธรรมมันไม่เป็นธรรมเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาของธรรมะมีในพระพุทธศาสนา เรารักลกูกเราอุปการะลูกอย่างไรผู้ที่มีอุปการะกับเรามาก่อนท่านเกาะอุปการะกับเรามาเช่นนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังสุดท้ายแผ่หลังเราจะต้องตอบแทนบุญคุณท่านตามฐานะตามเรี่ยวแรงตามสติกำลังตามความสามารถของเราแห่งตนแห่งตนลูกก็ต้องกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ พอโตมาแล้วพอโตมาแล้วมีกําลังวังชา oh. ก็เอากําลังวังชา oh. เราช่วยงานท่านแสวงหาทรัพย์ได้เราทรัพบของเรานช่วยเหลือท่านใครก็ตามที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พระเจ้าแป่นดิเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยที่ให้อุปการะคุณกับเราเราก็ถือว่าเป็นบุ ป, ปการีทั้งนั้นเราเคารพนับถือถือแม้กระทั่งควรกราบไหว้ก็กราบก็ไหว้ได้บุญ ได้ะคือพระเจ้าแผ่นดินแต่พระเจ้าแผ่นดินของเรานี้เป็นที่ยอมรับครองราชนานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกทุกพระองค์ในโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะเอเชียหรืออเมริกานในโลกปกครองประชาชาติมาเนิ่นนานตั้งกี่ปีมาแล้วตั้งปีพศเท่าไหร่จำไม่ได้ละปกครองมานานกว่าพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ มากกว่าเพ็รพระเจ้าเพชนดินในโลกเพราะงั้นเถะท่านทำคุณประโยชน์มาเท่าไร่และท่านเป็นพุทธมารมกะท่านศึกษาข้ออ่านข้อธรรมท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมปัญญาโดยธรรมที่เกิดขึ้นจากการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมท่านต้องมีภูมิจิตภูมิธรรมท่านต้องมีเพราะมันมีกฎมีระเบียบบังคับไว้ในตัว เนผู้ที่มีคุณธรรมเราควรเชิดชูเราควรยกย่องคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยเราไม่ควรเชิดชูเราไม่ควรยกยอ่องเพราะอะไรเพราะพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับนกกระสาเคยได้ยินไหมกบอ่าต้องการหัวหน้านะนะกบต้องการหัวหน้าน่ะกบต้องการหัวหน้หนาอืม ปกครองตัวเองก็ปกครองไม่ได้ต่างคนต่ดแต่งแย่งกันอย่างนั้นแหละอลอยขอนก็ต่างคนดังไม่ยอมกันอย่างนั้นแหละพอร้องเทวดาเทวดาให้ขอนมาเกาะขอนก็ไม่พอใจประธานนั้นมาก็ไม่พอใจพระอันนี้มาก็ไม่พอใจในสุดเทวดาให้ประธานนกกระสาให้มาเ อ, อ้ยยินดีพอใจชอบใจ เทวดาก็ไอ้นอกสานก็จิกกบกินทุกวันตักวันนี้มีในนิทานอิศฐจับลืมนั้นแหล ะ, ะเทวดากินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันคนไม่มีศีลไม่มีธรรมมาปกครองเรามันจิกหูจิกตาหักแข้งหักขาเราทุกวันแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมแล้วแล้วให้เราอยู่เย็นเป็นสุขจเจริญง้อเงยเจริญง้อ ง, นน ง, อ ง, งา น, นี้เราพูดเพื่อให้มันเข้ากับหลักกับธรรม เากับหลักธรรมการบำบัดทุกบำรุงสุข ก, การเอาใจเราไปใส่ใจเขาการเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่มีใครเคืนพระเจ้าอยู่หวของเราองค์ปัจจุบันเราควรเทรถถิดทูนบูชาเพราะฉะนั้นเราก็อนุโมสนาด้วยกับหมู่งที่มาบวชเพื่อฉเฉลิมปบ พระเขียดพระองค์เนี่ยเนื่องในวันครบรอบวันที่ห้าธันวาเนี่ยนี่ที่บวชเมื่อวันที่อะไรเมื่อวันที่สองได้ยินว่าสามสิบองค์แล้วก็แบ่งไปอยู่วัดนนท์วัดนนท์วัดนนท์แล้วมาอยู่วัดเราหกองคหกท่านอันนี้เราอนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งขอให้เราระลึกยึดเป็นที่พึ่งยึดเป็นที่นับถือยึดเป็นที่เคารพสักการะประยำจิตใจของเรา นอกจากท่านแล้วก็มีพ่อมีแม่ของเราเป็นพระอาหารย์ในบ้านนอกจากนั้นเรายังมีพระอาหารย์จริงๆอีกครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือจากนั้นแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เราเคยฝึกฝนอบรมเรียนหลักวิชาวความรู้จากท่านบุคคลที่เป็นผู้บุคภการีมีมีเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อ, อย่างพระศาสนา ศา ส, สนาผู้ที่เป็นบุปผาการีก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ให้สอบเอาได้ไม่ใช่ไปคัดเลือกได้ไม่ใช่อะไรได้สําเร็จได้ด้วยบุญญาบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีมาเสียสมแัยระยะเวลานา น, านเนิ่นนานเสีสยสมแัยกำไสเส้นกับนานมากคนที่มีจิตใจอ่อนไหวเนี่ทําไม่ได้ ทำไม่ได้ตั้งมั่นเพื่อก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไม่ได้การล่วงไปสัหน่อยหนึ่งก็ถอยแล้วการล่วงไปสัหน่อยหนึ่งก็ถอยแล้วแต่ผู้ที่ตั้งและบรรลุตามเป้าหมายได้อันนี้หน่าเชิดชูน่หนาหน่าเทิดทูนหน้าบูชารสศติปัญญาความอดความทนความภาคความเพียรความอุตสาพยายมวิริยอุสาสร้างเสริมบุญบารมี สร้างจนเต็ม Banana. ทำจนเต็มอันนี้คือผู้ที่ทุกร้อนแทนหัวใจของสัตว์โลกอย่างแท้จริงคือคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณพวกเรา พ, พวกเรารู้จักตัวเองเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนอย่างอืง่นท่านสอนให้เรารู้จักตัวเราเองให้รู้จักรู้จักกายของเราเองให้รู้จักใจของเราเองให้รู้จักกิเลสที่มันเกาะกินใจของเราเอง เรายึดถือปฏิบัติตามหลักของทานของศีลของสมถะของวิปัสนาตามท่านเราก็จะเริ่มรู้จักตัวเองว่าเราโง่อย่างไงว่าเราลุ่มหลงยังไงเราก็พร้อมที่จะเดินตามท่านอันนี้ทา่านก็อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นบุพการีเป็นผู้ทําอุปการะ ก, ก่อนกับพวกเราเราต้องซื่อตรงกับท่านการซื่อตรงกับท่านก็คือซื่อตรงต่อพระธรรมซื่อตรงต่อพระวิ น, นัยกีสีขาบท ปริยย่อยขนาดไหนก็ตามเรายึดถือตามไม่หมดธรรมะที่ท่านบอกยุ่มยุมยิ้ ม, ย, มยิ้มอะไรที่เราศึกษาได้รู้ได้อะไรได้เก็บมาซ้ารวมระมัด ร, ระวังรักษาได้ให้หมดอันนี้ถือว่าเป็นการเทิดทูนท่านเป็นการบูชาท่านแท้จริงก็คือเราทําเพื่อให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ทลายทั้งปวงนั่นแหละแต่ก็เป็นการสนองตอบสนองบุญคุณของท่านอืม คือครูที่เจ้าครูเจ้าแผ่นดินพรูทีเจ้าเสร็จแล้วครูบาอาจารย์อันไหนที่เราได้ยินได้ฟังท่านบอกท่านสอนทําให้เราสํานึก ร, รู้รู้สึกตัวตื่นเนื้อตื่นตัวจากความรุ่มหลงตื่นเนื้อตื่นตัวจากความไม่ฉลาดเนี่ยเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนจิตจ ก, กิดใจมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามก็ถือว่าเป็นบุก ภคการีเป็นอุปการีให้หลังวิชาความรู้ตา่ตางๆอย่างอืง่นก็ตามก็ถือว่าเป็นอุภภการีมีบุญมีคุณผู้ทําอุปการะก่อ น, นั้นมีบุญมีคุณเมื่อเรารู้บุญรู้คุณของท่านแล้วตอบสนองบุญคุณท่านผู้ที่ตั้งใจตอบสนองนั้นนะเป็นผู้มีธรรมผู้ที่ไม่ตั้งใจตอบสนองนั้นส่วนมากมักจะเป็นผู้เนระคุณเขาเรียกว่าคนไม่รู้บุญคุณคนที่เนระคุณเนี่ย หาความเจริญไม่ได้อหาความเจริญไม่ได้ยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่เคยเล่านิทานให้ฟังน่ะแหละมานอกไปเรียนในสํานักอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ฝึกช้างนะเป็นอาจารย์ฝึกช้างประจำราชสํานักพอพวกผู้นี้เรียนจบเรียนจบแล้วอยาก ไปเป็นผู้ฝึกช้างอยู่ในสำนักของอาจารย์อยู่ในสำนักของพระเจ้าแผ่นดินก็เลยขออาจารย์เนี่ยขอให้อาจารย์ไปฝากให้ให้ให้อาจารย์คนนี้ไปฝากให้ไปฝากให้ขอให้ได้อยู่ฝึกสอนช้างบังคับช้างให้ได้ตามใจใจหวังให้ได้ตามใจชอบอาจารย์ก็รับปากก็เลยไปฝากกับพระเจ้าแผ่นดิน ไปจ้างเป็นดินก็ด้วยความสนิทใจเออถ้าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นี่เราทับหมดอลูกศิษย์เลยไปสมัครเมื่อสมัครเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะได้เป็นขวานช้างแล้วนะก็เลยมาเกียงกับอาจารย์นะตอนนี้มาเกียงกับอาจารย์เอออาจารย์พอหลังจากมาฝึกช้างไ ด, ได้ความรู้หมดจดแล้วเนี่ยที่อาจารย์สอนไว้หมดแล้วเนี่ยก็เลยมาเกียงแล้วนี่ มาเกียเ่ยเอออาจารย์ก็ฝึกช้างได้หมดเหมือนกับผมผมก็ฝึกช้างได้หมดทุกวิธีเหมือนกับอาจารย์นี่แหละควรจะได้เงินเดือนเท่าเท่ากันแต่ตอนไปสมัครใหม่นั้นพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเอออาจารย์นี่ได้เงินเดือน100ร้อยคาพันะผู้ที่เป็นลูกศิษย์ควจะได้ห้าสิบคาพนะก็เลยตกลงอย่างนั้นไปบอกอาจารย์ เ, ยเราไม่ได้จ้ะ อาจารย์ก็เลยไปบอกลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่พอใจอาจารย์ก็ฝึกได้เราก็ฝึกได้นี่เราก็น่าจะได้เท่าเท่ากับอาจารย์อ่นี่เขาเรียกเกียงแล้วไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคุณแล้วอ่ก็เลยไปเล่าถอยพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าเป็นดินอ้าถ้าเพื่อเขาไม่พอใจอย่างงั้นถ้าเพื่อเขามีความรู้มากเท่ากับอาจารย์อย่างงั้นอ่าเราก็ต้องทําอะไรให้เป็นที่ประจักษ์ว่า มีความรู้เท่ากับอาจารย์ในที่สุดลูกศิษย์กับอาจารย์ต้องประลองฝีมือกันน่ี่ศิษย์เนรคุณไม่รู้บุญไม่รู้คุณยกตนเทียมท่านนี่ความยกตนเทียมท่านเนี่ยคือไม่มีธรรมแล้วในที่สุดวันหนึ่งก็เลยประกาศให้ชาวบ้านชาเมืองทั้งหลายมาดูว่าลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยประลองฝีมือกันอว่าลูกศิษย์จะมีความสามารถเท่ากับอาจารย์จริงไหมที่อาจารย์เนี่ยเขายังมีทีเด็ดของเขาอยู่ ความรู้นี่เขาให้ไม่หมดเขาให้ไม่หมดอพอวันรุ่งขึ้นวันนั้นจะเป็นวันประกาศที่จะแข่งขันกันคือคือบังคับช้างว่า ง, งั้นเถอะบังคับช้างในที่สาธารณะให้คนได้ยินได้ฟังได้เห็นว่าลูกศิษย์เก่งเท่าอาจารย์คืนนั้นแหละอาจารย์เขาก็มาโอ้เราต้อปล่อยไปตามนั้นนี่เดี๋ยวเด็กมันจะถอนหัวงอกเราแล้วแหละ อาจารย์ก็เลยไปแอบกระสิบกระซาบกับช้างไอ้ช้างตัวนั่ะตัวที่จะเอามาฝึกกันแหละเขาบอกให้ช้างทําตรงกันข้ามเลยเช่นอย่างบอกให้ช้างไปข้างหน้าเนี่ยแต่เขาบังคับให้ช้างถอยหลังบอกว่าให้ช้างถอยหลังแต่เขาบังคับให้ช้างไปข้างหน้าบอกให้ก้มเขาให้ช้างเงยบอกให้เงยบอกช้างก้ม อเลี้ยวซ้ายใ ห, ให้ให้ทําตรงกันข้ามเลยสั่งให้เลี้ยวขวาให้ทําตรงกันข้ามสั่งช้างตัวนั้นนะไปแอบสั่งช้างเป็นพิเศษว่างังนเถอะอไปแอบสั่งช้างเป็นพิเศษทีนี้พอกลางวันขึ้นมาได้เวลาไปประลองฝีมือกันอาจารย์ก็ฝึกได้หมดแหละอาจารย์ก็ฝึกได้หมดอ้าวท่านั้นอ้าวอาจารย์มาขับได้หมดอ้าวท่านั้นอาจารย์มาขับได้หมด เอาทางหน้าอาจารย์บังคับได้หมดเอาตอนนี้ถึงคราวลูกศิษย์บ้างบางาบบคิดลูกศิษย์บังคับบ้างาบังคับไปขา้างหน้าเอาช้างถอยหลังกุดกุดกุกุกุดแพ้แล้วพอบังคับไปไปขา้างหน้าบังคับไปถอยหลังเอาช้างไปขา้างหน้าเอากลับเป็นตรงกันข้ามบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ไปขวาบอกเลี้ยวขวาไปชัไปชับอกให้วิ่งหยุดบอกให้หยุดวิ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดประชาชนก็เห็นว่าคนนี้เนี่ย เป็นคนเนรคุณไม่รู้จักคุณของอาจารย์ ท, ท, ทั้งๆที่เจ้าของได้วิชาความรู้เหล่านี้จากอาจารย์แทๆ้ๆแล้วก็เป็นคนยกตนเทียมท่านเป็นคนที่ไม่มีธรรมเป็นคนเนรคุณประชาชนทั้งหลายก็เลยลงทันตะกรรมมาเอาก้อนหินก้อนดินเนี่ยคว้างคนลนึกคนนับไปทุบไปตีคนลึกละนั บ, นบตายทิ้งจ่อยไม่ได้เงินไปใช้เลยนี่เป็นนิทาน บอกถึงคนที่ในรักคุณนยกตนเทียมท่านมันตกต่ำตั้งแต่เริ่มคิดแหละเพราะอะไรเพราะความคิดเหล่านั้นมันไม่มีธรรมมันไม่เป็นธรรมใ ด, ดในโลกจะให้เท่ากันเท่าเทียมกันหมดมันเท่าเทียมกันไม่ได้ดอกมันเท่าเทียมกันไม่ได้นอกจากสิทธิบางอย่างที่เรายกให้กันท่านั้นเองแต่โดยกาเนิดที่แท้จริงแล้วเนี่ย จะให้เท่าเทียมกันไม่ได้ดอกเหมือนพวกเราทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ให้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันไม่ได้แต่สิ่งที่เท่าเทียมกันมีอยู่เราแก่เท่าเทียมกันหมดเราเจ็บเท่าเทียมกันหมดเราตายเท่าเทียมกันหมดแต่ความสามารถจะให้เราเท่ากันเนี่ยเท่าไม่ได้สติปัญญาจะให้เราเท่ากันเน่ยเราเท่าไม่ได้คุณเอาความดีทั้งหลายทั้งปวงให้เราเท่ากันเท่ากันไม่ได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือคุณธรรมประจำคนประจำสัตว์เราต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมีขึ้นเองจะเท่าเทียมกันไม่ได้อืเราดูเถอะอะไรก็ประชาธิปไตยอะไรก็ประชาธิปไตยทําให้คนออกนอกลูก่นอกทางออกนอกลูก่นอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐิไปหมดมองข้ามเลยคุณธรรมไปหมด ยกตนเทียมท่านไปหมดเส็จแล้วหวังความสุขความเจริญอย่างเจิดจ้าในหัวใจหวังเท่าไรก็หวังลมๆแรงๆเพราะอะไรเพราะสร้างเหตุไม่ถูกผลจะตามมาได้อย่างไรอเหตุที่ถูกก็เหมือนอย่างลูกกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ อ, อย่าว่าแต่มนุษย์เห็นอกเห็นใจเลยเทวดาก็เห็นอกเห็นใจอนุโมทนาสาธุ ก, การ เรากรตันยุ่กตเวทีต่อพระเจ้าแผ่นดินต่อพระผุ้ดเจ้าต่อพ่อต่อแม่ต่อคนที่มีพระคุณกับเราทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท่านอย่าว่าแต่เราเลยอนุโมทนาสาธุ ก, การอย่าว่าแต่คนมนุษย์เลยเห็นแล้วอนุโมทนาสาธุ ก, การเทวบุตรเทวดาทั้งหลายเขาก็อนุโมทนาสาธุ ก, การเพราะอะไรเพราะการกระทาทางนี้มันเป็นธรรมคำว่าเป็นธรรมคือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่จะต้องมีอยู่อย่างนี้จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าฝืนไปจากหลักอันนี้แล้วไม่ใช่ธรรมคือปีนเกลียวกับธรรมแล้วหาความเจริญไม่ได้เราไปศึกษาในชาดกชาดกไหนที่มีธรรมชาดกนั้นะจะทําให้ผู้ที่กระทําโดยธรรมนี้มีความเจริญชาดกไหนที่มีผู้แสดงความไม่เป็นธรรมคนนั้นจะได้รับความเสื่อมจะได้รับความเสื่อมไม่มีเจริญแหละ หาความเจริญไม่ได้เช่อนอย่างพระยาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยฆ่าพ่อของตัวเองพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตามหลักจะต้องตกอเวจีมหานรกจะต้องตกอเวจีมหานรกหลังจากพ ร, ระเจ้าพระเจ้าพระเทวทัพสิ้นไปแล้วหลังจากพ่อสิ้นไปแล้วหลังจากเทวทัพสิ้นไปแล้วเนี่ย ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายัางสงฆ์พิชนอยู่ไอชาติศัตรูมาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้บริษัทบริวารพาเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยไปรำพึงรำพันไปเสียอกเสียใจโอ้เรานี่ยเป็นบาปเป็นกรรมแล้วนาะด้วยเหตุที่เราไม่ได้มาส่องเสียมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เนี่ทําให้เราเนี่เกิดความเลื่อมใสเทวทัตถูกเทวทัตนี่ย เป่าหูกระซิบกระซาบในหูทุกวันทุกวันจงเป็นเหตุให้เราเนี่ฆ่าพระบิดาของตัวเองอฆ่าพ่อของตัวเองพอหลังจากนั้นมาระลึกระลึกส้ำนึกระลึกรู้สึกตัวนี่เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามเดือนเนี่ยปรินิพานไปแล้วสามเดือนหลังจากที่อาชาติศัตรูน เคารพเลื่มใสต่อพระพุทธเจ้ามาได้ระยะหนึ่งองค์ก็สิ้นพระชนหลังจากพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วสเดือ น, อนก็พยายามอุปถัมภาําชูพระพุทธศาสนามาตลอดจนครบสมเดือนแล้วเป็นวันทําสังฆานาครั้งแรกประชาชาตัดัตว์รูรับเป็นผู้อุปถัมภะพระเจ้าพระสงค์ตั้ง500องค์นั่นแล้วก็ทําอยู่ต้องเท่าไหร่กี่เดือนทําอยู่กี่เดือนสมเดือนหรือ หรือเจ็ดเดือนทำสังขารนาครั้งแรกด้วยเหตุนี้พระเจชาติสัตว์ตรูจึงไม่ตกอเวจีมหานรกไปตกนรกขั้นโลหะกุมพีคือนรกนรกหม้อทางแดงนี่คืออะไรคือคุณทำความดีที่มาราลึกรู้สึกตัวได้นะช่วยพยุงเอาไว้พอพ้นโลจะโลจะจากโลหะกุมพี ก็พ้นขึ้นมาได้เป็นมนุษย์เป็นอะไรธรรมดาได้ในโอกาส ต, ต, อต่อไปนี่คือสิทธิ์ของพระเทวทัตเนี่ยไปเชื่อเขาและฆ่าพ่อของตัวเองนี่คือนี่คือนิสัยของคนที่เนรคุณนี่คือนิสัยของเนรคุณมันไม่เคยให้คุณกับใครแหละผู้ที่เนรคุณความเนรคุณไม่เคยให้คุณกับใครย่อมให้โทษเสมอเหมือนอย่างพระเทวทัตนั่นแหละ พระเทวทัตถ้าไม่ระลึกรู้สึกตัวตอนแผ่นดินสุบตอนสุดท้ายพระเทวทัตนี่ก็จมไปไม่มีที่พุทิเกิดละแม้แต่เดี๋ยวนี้พระเทวทัตก็ยังอยู่ในอเวจีมหานรกแต่พระพุทธเจ้าท่านทระซ่งแย้มพระโอษฐ์เมื่อยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเต็มที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเต็มที่ตอนที่แผ่นดินสุบพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์เออเธอไม่เสียเปล่าเมื่อยอม ยอมแพ้เราร0อยเปอร์เซว่า ง, งั้นเถอะยอมพึ่งเราเต็มที่ยอมแพ้เราร้อยเปอร์เซเธอก็มีโอกาสที่จะได้ไปเป็นพระปัจเจก้าพุทธคาว่าพร ะ, พร ะ, พระปัิเจ้าพุท ธ, ธก็คือสามารถทำกิเลสให้หมดไปจากขันธสันดานพระปัจเจงเนี่ยทำกิเลสให้หมดไปจากขันธสันดานกี่กับขี่กันอีกก็ไม่รู้แหละจะได้มาตรตรัสรู้คือรู้ด้วยตนเอง เป็นพระปัจเจกพุทธะแต่ว่าไม่สามารถจะตั้งเป็นพระศาสนาได้เพราะการสร้างบา ร, รมีจะมากไม่เท่ากันนี่คือพระเทวทัตพระเทวทั ต, ทตก็ไม่เสียเปล่าเหมือนกันนะที่มาคอบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่มามีผลช่วงเบื้องปลายนี่แต่เรื่องอเวจีมหานรกต้องไปสวจซะก่อนเพราะอะไรเพราะทำสังฆเพศกับพระพุทธเจ้า ทำเพระโลหิตของพระองค์ให้ห่อแล้วก็ทําสงให้ให้แตกกันทําสังฆเพศทําโลหิตตุบาทเนี่ยทำสังฆเพศทําส่งให้แตกกันทําโลหิตตุบาทฉะนั้นกิริยาของพระเทวทัตนี่เป็นกิริยาที่อิจฉาริษยาเพื่อชิงดีชิงเด่นกับพระพุทธเจ้าแต่ด้วยความเป็นอธรรมอธรรมไม่เคยชนะธรรม อชาธรรมนี้แพ้ธรรมตลอดแพ้ธรรมเสมอแพ้ธรรมทุกครั้งทุกการทุกคราวเราฟังสิ่งเหล่านี้เป็นอุปมาแล้วเราน้อมมาที่ตัวเราทีนี้เราพูดถึงพระบาท เ, เราพูดถึงสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชท่านก็เป็นประมุขสงฆ์ท่านเป็นประมุขสงฆ์ท่านได้รับสมณศักด์ จากการประธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขของสงฆ์เป็นประมุขของสงฆ์อันนี้ก็ต้องมีความสามารถเยี่ยมถ้าไม่มีความสามารถเยี่ยมพระองค์ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ได้มีกา ร, ม, การมีการแข่งขันกันมาตลอดว่างั้นเถอะไม่ต่างอะไรกับเราสอบแข่งขันกันนั่นแหละ การแ ข, ข่งขันในที่นี้ก็คือความสามารถความสามารถด้วยสติความสามารถด้วยปัญญ า, าความสามารถด้วยคุณธรรมความสามารถด้วยความประพฤติทำให้พระองค์เนี่ยขยับมาและเหมาะสมและสมควรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เปลี่ยนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประมุขของสงฆ์ได้เป็นประมุขของสงฆ์ก็คือเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนี่แหละพระราชว่าไปแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนั่แหละเป็นสมเด็จพระสังฆราชใช้ราชาสัพท์เหมือนพระเจ้าแผ่นดินใช้ราชาศับนะแต่ระดับสมเด็จทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช้จะไม่ใช่ราชาศัพท์แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนี่ย ใช้รายชาศัพ์เหมือนกับการเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่จนสวรรคตคอยู่จนมรณภาพในผ้าเหลืองน่แหละไม่มีการถอดไม่มีการถอ น, ถ, อนถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบไปตามทํานองครองธรรมตลอดรอดฟังไปก็เป็นอย่างนั้นอันนี้พระองค์มีความสำคัญอยู่อย่างนี้ แล้วสุขภาพของพระองค์ก็อ่อนแรงเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเหมือนกันวันที่เก้าเนี่ยจได้ยินว่านมิมนต์ให้พระสงฆ์ไปสวดที่จุฬาเขานีน่ยมนเราแต่ เ, เรารู้สึกว่าไปบ่อยไปกลับไปกลั บ, ไ, ลบไม่ไหวเราเลยไม่ไปขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์ว่าขอไม่ไปวันที่เก้าเนี่ยเราถ้าเราไปเราจะต้องไปตั้งแต่วันที่แปด แล้วมันต้องเลยไปนู่นภูกเก็ตอีกกลับวันที่สิบกโอ้ยมันต้งหลายวันหมู่เพื่อนก็นมาอยู่อย่างนี้มันก็ห่างเหินกันไปเรื่อยเราเลยไม่ไประบบระเบียรอะไรต่ออะไการไปชมมหาธิาสมาคมเออะไรต่ออะไ ร, ร, ไรเอ อ, อ, เอก็อาศัยความสามารถของประมุกนั่นแหละช่วยดูเลยช่วยปกป้องให้คณะสงฆ์เราอยู่เป็นปึกเป็ น, ปนแผ่นแน่นหนามัน่นคงส่งเสริมต้ง การศึกษานักธรรมบาลีเรียนถึงมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ไปเรียนปัญญาตรีปรัญญาโทปิญญาเอกเปิดมหาวิทยาลัยทุกภาคของประเทศเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายธรรมยุทธไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายมานิกายนี่ก็คือบุพการีที่เราไม่ควรมองข้ามบุญคุณของท่าน ท่านก็อยู่ภายใต้พระธรรมมาพินัยเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละจากนั้นแล้วพระธรรมนี่แหละช่วยส่งเสริมจิตใจไม่ว่าท่านไม่ว่าเราถ้าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมยิ่งฝึกฝนอบรมไปเท่าไหร่พระธรรมธรรมะก็ยิ่งมีอยู่ในใจจิตใจก็ยิ่งละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีความละเอียดเพิ่มขึ้นมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นโดยธรรม สติปัญญาเพิ่มขึ้นโดยทำรรกับสติปัญญาเพิ่มขึ้นโดยไม่ใช่ธรรมจะแตกต่างกันสติปัญญาเพิ่มขึ้นโดยธรรมนี้ก็จะทําให้เรารู้จักข้อปฏิบัติเพื่อชําระกิเลสเพื่อบรรเทาราคะโทสะโมหะทําได้มากได้น้อยเท่าไหรก็บรรเทาไปมากเท่านั้นคนในโลกนี้คนที่เราควรยกย่องสรรเสริญคือคนที่มีคุณธรรม คนผ่านเท่านั้นสารเสริญคนไม่มีธรรมทาอะไรถูกต้องตามใจก็ยกย่องชมเชยแต่คนที่มีธรรมคนที่เป็นบัณฑิตแล้วย่อมยกย่องสารเสริญคนที่มีธรรมคนที่เป็นธรรมบัณฑิตย่อมสารเสริญผู้มีธรรมคนผ่านย่อมสารเสริญผู้ไม่มีธรรมหากแต่ว่าทำทำอะไรตามใจชอบของตัวเอง สิ่งที่ประเสริฐที่สุดธรรมะที่ควรยกย่องสรรเสริญว่าประเสริฐที่สุดคือวิราคธรรมคำว่าวิราคธรรมนั้นคือธรรมะที่สิ้นกำหนดทั้งหลายทั้งปวงนับตั้งแต่สิ้นกำหนัดกายรวมไปถึงสิ้นกำหนัดใจสรุปลงแล้วก็เป็นคุณธรรมของพระอระหรันต์เนี่ยครูปติ้าตทสงยกย่องสรรเสริญ จากนั้นลงมาผู้มีคุณธรรมแม้แต่ผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสดาบันก็ควรยกย่องสรรเส ร, ริญแม้แต่ผู้ได้คุณธรรมขั้นพระโสดาบันก็ยิ่งควรยกย่องสรรเส ร, ริญเพราะอยู่กับจิตกับกายกับใจของท่านอยู่แล้วพระสกิธาคาพระอนาคาธรรมจึงเป็นโลกุตตรธรรม สูงมากกว่าโลกจึงเป็นสิ่งที่เราควรเชิดชูจึงเป็นสิ่งที่เราควรทะนุถนอมจึงเป็นสิ่งที่เราควรฝึกฝนอบอรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในใจของเรานี่แม้แต่สมเด็จพระสังฆราชองค์นั้นท่านก็ตั้งใจพระพุทธปฏิบัติเหมือนอย่างพวกเราต่อมาหลวงตาเมื่อกี้ที่เราสวดมนต์เนเราสวดถวาย ในหลวงสวดถวายสมเด็จสังฆราชและข้สวดถวายหลวงตาหลวงตากับสมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นเพื่อนกันมีอายุเท่ากันสมเด็จพระสังฆราชเกิดประสูติวันที่3ตุลาหลวงตาท่านเกิดวันที่12สิงหาปีเดียวกันสิงหากันยาตุลาสิงหากันยาตุลา บังกันเดือนเดือนเดียววันที่สามตุลาสมเด็จสังคาราชท่านทรงบัติและท่านเป็นเพื่อนกันเนลงตาท่านก็อ่อนแรงลงไปสมเด็จสังคาราชท่านก็อ่อนแรงลงไปไปอยู่ที่โรงพยาบาลได้ยินว่าแปดปีหรือเก้าปีมาแล้วสมเด็จสังคาราชเนี่ยต้องไปอยู่ที่นุ่น เราอยู่ใกล้หมอใกล้หมออยู่ใกล้หมอใน้รับความสะดวกสบายเรื่องธาตุเรื่องขันนั้นนะ่ะของเราของท่านเนี่ยเรากะเกณฑ์กันไม่ได้ใครมีชีวิตอยู่มากๆไม่ค่อยมีวิบากกรรมเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยคนนั้นก็ถือว่าเ ป, เป็นคนเป็นคนที่มีลาบย่างยิ่งว่า ง, งั้นเถอะอรคยาปรมาร า, านเนี่ย ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างอย่างประเสริฐเป็นลาบอย่างยิ่งแต่อัตภาพร่างกายก็คืออัตภาพร่างกายเป็นรังของโรคเราเอาเป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ได้กดคนเกิดพร้อมกันบางคนก็ตายไปตั้งนานแล้วเกิดที่หลังตายไปก่อนเขามีมเกิดพร้อมกันวันเดือนปีเดียวกันบางคนก็ออดแ อ, อ, อดแอดบางคนก็กำลังวังชาแข็งแรงดี สิ่งเหล่านี้เราเอาอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไม่ได้ดอกแต่หากมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของธรรมชาติลุงตาตอนนี้ก็อายุ97เต็มเข้า98สองสามอาทิตย์ล่วงมาแล้วเนี่ยท่านไม่สบายท่านป่วยหนักทุกสิทธิลูกหาก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะทำแล้วแหละเอากันสวดมนต์ภาวนา ถวายท่านแท้จริงก็คื อ, อทําเอาเองฮะแหละด้วยเหตุที่เราเราลึกถึงบุญราลึกถึงคุณของท่านทั้งๆ ท, ที่ท่านเต็มอิ่มแล้วแหละท่านไม่ต้องการอะไรจากเราหรอกแต่เราก็ทําถวายท่านเพราะฉะนั้นใครตั้งใจภาวนา ม, มากน้อยเดินโยกรมนั่งภาวนา ม, มากน้อยก็ตามถวายท่านไปทําวัดไปสวดมนต์มากน้อยก็ตามถวายท่าน ขอให้ท่านมีพลานามัยมีกําลังวังช า, าหายโรคหายภายัยไข้เจ็บมีอายุยืนยาวเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นร่มโพร่มใสของเราทั้งสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสเสบียพระสังฆราชทั้งประเดพระคุณหลวงตา่อ เ, เป็นร่มโพร่มใสของเราไปเราได้พอสุขหัวพอสุขจิตสุขใจอยู่ภายใต้ร่มร่มเงา ด้รับความชุ่มเย็ยนภาในหัวใจของเราเท่าที่พรรนามาทั้งหมดโดยย่อยหลงตาท่านก็ทำประโยชน์มามากมายมหาศาลโดยเฉพาะท่านปฏิบัติธรรมบริสุทธิ์หมดจดตั้งแต่พรรษาสิบกแล้วก็ทำประโยชน์เรื่อยมาจนถึงป่านนี้ มาบัดนี้พรรษาเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบพรรษาเท่าไหร่ละหักออกสิบหกท่านบรรลุธรรมตั้งแต่พรรษาสิบหกท่านทำประโยชน์มาเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้หนังสือก็มากเทบซีดีอะไรเตรียมไปหมดคนที่ได้รับประโยชน์จากท่านก็มากมายมหาศาลได้ข้อศึกษาได้ข้อปฏิบัติ ได้ภูมิอัดภูมิธรรมเป็นจํานวนมากมายมหาศาลเป็นคุ่นูปการเป็นเขาเรียกเขาว่าเป็นเสาหลักค้ากรรมฐานหลวงตาท่านเป็นเสาหลักค้ากรรมฐานตอนนี้ท่านกา็อายุเก้าสิบเข้าเก้าสิบแปดกำลังวังชะก็อ่อนโรยไปตามการตามไปตามเวลาพวกเราอาศัยครับว่าการอยู่กับตระเวทีนี่แหละ ตั้งใจภาวนาเข้าตั้งใจรักษาศีลตั้งใจปฏิบัติธรรมถวายท่านก็ทำเอาเอง น, นั่นแหละฉุดมุนสวดพรถวายท่านก็ทำเอาเองนั่นแหละแท้จริงท่านไม่ต้องการรอยากอยากพวกเราแล้วแหละเพราะท่านเต็มอิ่มแล้วเป็นพาชนะที่เต็มเป็นพาชนะที่เต็มเทอะไรลงไปไม่รับแล้ว เป็นผู้พ้นจากดีพ้นจากชั่วหมดแล้วเป็นผู้ถึงบรมสุขวิมุตติวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดชิ้นเชิงแล้วท่านไม่ห่วงท่านท่านมีห่วงอะไรๆทางนั้นท่านห่วงแต่พวกเราอะ เ, อาเป็นรม่มเป็นต้นโพต้นไสที่ถูกบุ่งถูกนอนเจาะแทะกัดกินต้นกัดกินยอดถูกล่วงกัดล้ต้นอยู่ ปลูกแล้วไม่โตนี่ท่านห่วงตรงนี้พวกเราพวกเราห่วงท่านเราก็ทําตัวอย่างหนึ่งท่านกห่วงเราอย่างหนึ่งเราก็ห่วงท่านอย่างหนึ่งทุกคนรู้หนะ้าที่ของตนเองแล้วก็พยายามปฏิบัติเพื่อให้ที่สําคัญที่สุดก็ให้มีอาจมีธรรมในหัวใจของเรา วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาพวกเราให้ดีใจเอาไว้วันนี้เราได้สวดมนต์ถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวสวายสมเด็จสังฆรราชเราไม่ได้ไปสวดเราก็สวดแล้วที่สวดวันนี้พระมูสวดวันนี้แหละที่วันตราเราไม่ได้ไปสวดก็พระมูสวดวันนี้แหละเดี๋ยววันหลังถ้ามีสูตรครบมือเราประชุมกันเราก็จะได้สวด การสวดเท่ า, น, น, ทานี้เพื่อประโยชน์ของเราของท่านนั่นแหละท่านไม่สนใจได้กับเราแล้วแหละท่านเต็มอิ่มแล้วอ่าจบเพียงเท่านี้